เรื่องหน้าที่ที่สา ม, มีจะพึงปฏิบัติต่อภรรยาถ้ามาดูในสมัยนี้ก็เป็นขอไม่แปลกแต่ถ้าดูไปถึงธรรมเนียมในสมัยนั้นแล้วการสอนอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงประเพณีของสมัยนั้นที่ถือผู้หญิงว่าเหมือนอย่างพันทะหน้าที่ซึ่งแสดงไว้ในพระสูตรนี้ให้การยกย่องเป็นอย่างดีในอัตถกถาของพระสูตรนี้ได้เล่าถึงประวัติของเวรุวัไว้อีกว่า เวรุวันคือสวนไผ่นี้เป็นสวนหลวงมาเก่าแก่มีพระราชาพระองค์หนึ่งได้เสด็จไปประภาพพระเวรุวันใต้บรรทมหลับอยู่ในบริเวณนั้นข้าราชบริพารก็เที่ยวแยกย้ายไปมีงูเห่าตัวหนึ่งเลยตรงเข้ามาในขณะนั้นก็มีกระแตตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้พระกันของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ร้องขึ้นพระเจ้าแผ่นดินก็ตื่นบรรทม งูซึ่งเลยตรงเข้ามานั้นก็เลยหนีไปมีพระราธดมริว่าทรงปลอดภัยก็เพราะกระแตมาร้องให้ตื่นบันทมขึ้นจึงได้ทรงพระทัยอนภัยแก่กระแตให้อาหารแก่กระแตในสวนนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากาลันทกานิวาปะคือเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ทําอันตรายแก่กระแตชื่อนี้ก็เรียกกันเรื่อยมา อนาถาปินนทิกะเศรษฐีในขณะที่ประทับอยู่ที่พระเวรวร น, นั้นสมัยหนึ่งขรหาบดีชาวกรุงสาวัตถีแวนโกศลชื่อว่าอนาถาปินนทิกะได้เดินทางมาเกี่ยวกับกิจการที่กรุงราชคฤุฑและได้พักที่บ้านของเศรษฐีกรุงราชคฤุฑอนาถาปินนทิกะครหาบดีนี้เป็นสามีของภคินีของเศรษฐีในกรุงราชคฤุฑคาว่าภคินีนั้นเป็นพี่หญิงก็ได้ น้องหญิงก็ได้เมื่อต้องการจะพูดให้ชัดก็มีคําประกอบว่าเทพธาพคินีพี่หญิงกนิธฐาพคินีน้องหญิงแต่ถ้าใช้คําเดียวมักจะหมายความว่าน้องแต่ก็อาจหมายถึงกลางๆ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นอนาถาปินทิกาคารหาบดีนี้จึงเป็นน้องเขยของเศรษฐีกรุงราชคฤึดหรืออาจจะเป็นพี่เขยก็ได้จึงมีความสัมพันธ์กัน ในคราวที่อนาถาปินทิกะคารหาบดีเข้ามาในครั้งนั้นเศรษฐีกรุงราชคฤิสได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาเสวยที่บ้านของตนจึงได้สั่งการตราตรีมาหารและสิ่งต่างๆวุ่นวายอยู่ไม่มีโอกาสมาสมทนาปราศัยกับอนาถาปินทิกะฝ่ายอนาถาปินนทิกะก็สงสัยว่ามาคราวก่อนๆเศรษฐีกรุงราชคริสก็พักการงานมาสมทนาปราศัยด้วย แต่คราวนี้เห็นยุ่งอยู่กับการสั่งโน่นสั่งนี่พระเศษฐีกรุงราชคฤิสสั่งการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มาสนทนาปราศัยกับอนาถาปินทิกะอนาถาปินทิกะก็ถามขึ้นว่าจะทำการงานอวหะวิวหาหมงคลหรือว่าจะเชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนามาถวายการเลี้ยงหรือว่าจะบูชา ย, ยัา ง, ยางใหญ่จึงได้สั่งให้เตรียมอาหารและสิ่งต่างๆไว้มากมาย เศรษฐีกรุงรัชคฤิก็ตอบว่าไม่ได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลไม่ได้เชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินพร้อมทั้งเสนาแต่ว่าได้ประกอบมหายันต์ใหญ่คือได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุสงมาสวยและฉันอนาถาปินทิกะได้ยินคําว่าพุทธก็เกิดความตื่นเต้นได้ถามขึ้นหลายครั้งหลายหนเศรษฐีกรุงราชคริก็กล่าวว่าได้นิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มาสวยและฉันจึงแสดงความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีกรุงราชฤทิ์ก็ตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาให้รอไว้วันรุ่งขึ้นอนาถาปินนทิกาตก็ตั้งใจรอยอยู่ในคืนวันนั้นตั้งใจว่ารุ่งขึ้นจะไปเฝ้าแต่ก็ได้ตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนสว่างมีความต้องการจะไปเฝ้าเป็นอย่างมากจึงได้ลุกขึ้น และออกไปทางประตูมืองที่ชื่อว่าศีตะวันไปยังพระเวรุวันในเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตื่นบรรทมและได้เสด็จจงกรมอยู่อนาถาปินทิกะก็ได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลว่าทรงอยู่สบายดีหรือเป็นคำทักกันอย่างธรรมดาแต่ว่าสำนวนทักในครั้งนั้นใช่ว่านอนสบายดีหรือหมายความว่าอยู่สบายดีหรือพระพุทธเจ้า ก็ตรัสตอบว่าพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วคงอยู่สบายทุกเมื่อต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุ ป, ปุพพะพิกถาครั้นทรงแสดงจบแล้วทรงเห็นว่าอนาถาปินทิกะเป็นผู้มีจิตควรมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์เหมือนอย่างเป็นผ้าที่ได้ซักให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สะอาดสิ้นไปแล้วเป็นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดสมควรจะรับน้ํายอมได้ เทรงแสดงอริยสัจศีต่อไปอนาถาปินทิกะเมื่อได้สดับแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นทุกขัดสัจจะความจริงคือทุกข์ขึ้นบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเมื่อเห็นความจริงอันนี้ประจักษ์ชัดขึ้นท่านแสดงว่าได้เกิดธรรมจักสุ คือดวงตาเห็นธรรมขึ้นอันเป็นมรรคผลชั้นแรกในพระพุทธศาสนาอนาถาปินทิกะก็ได้กรา ว, วาจาถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุ ส, สงฆ์ให้ไปเสเวยและไปฉันในวันต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งซึ่งเป็นอาการรับอาราธนา ครั้นอนาถาปินนทิกะกลับมาสู่บ้านของราชคฤหิกะเศรษฐีแล้วเศรษฐีกรุงราชคฤิสได้ทราบก็ขอรับเป็นผู้จัดให้อนาถาปินนทิกะก็ไม่ยอมว่าจะจัดเองหมายบ้านจนถึงพระเจ้าพิมพิสสารได้ขอและได้ทรงขอช่วยจัดพระราชทานอนาถาปินนทิกะก็คงไม่ยอมจะจัดเองเพราะว่าได้เตรียมผู้คนและสิ่งต่างๆไว้โดยพร้อมเพรียง อนาถาปินทิกะก็จัดสิ่งต่างๆครั้นถึงเวลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมาที่บ้านของราชกะอิกะเศรษฐีครั้นสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถาปินทิกะก็กราบทูลอราธนาให้เสด็จไปประทับที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมอภิรมย์สงยาคารคือเรือนว่าง อนาถาปินทิกะทูลว่าทราบแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับฝ่ายอนาถาปินทิกะครั้นจัดธุรกิจต่างๆในกรุงราชคฤิสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากกรุงราชคฤิสกลับไปสู่กรุงสาวัตถีแหวนโกศลและได้จัดเตรียมระยะทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากกรุงราชคฤิสไปสู่กรุงสาวัตถีได้สั่งให้จัดทําอารามจัดสร้งสางวิหารและกําหนดการถวายทาน คือจัดเตรียมเรื่องอาหารไว้เป็นระยะระยะจนถึงกรุงสาวัตถีครั้นได้ไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วจะได้ไปตรวจดูว่าที่ที่ไหนสมควรจะสร้างเป็นอารามก็ไปพบสวนของพระจักรุมารองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเชตะหรือเชตเป็นที่ที่เหมาะจะทําเป็นอารามเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีลักษณะดังที่พระเจ้าพิมพิสารทรงเลือกดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ไปติดต่อขอซื้อที่กับเจ้าเชษเจ้าเชษก็ตอบว่าไม่ยอมขายให้แต่ว่าถ้าเอาเงินมาเกลียรลาดจนเต็มพื้นที่นั่นแหละอนาถาปินทิกะก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงซื้อเจ้าของก็บอกว่าไม่ยอมเรื่องก็ไปถึงตุลาการตุลาการก็ตัดสินว่าเมื่อเจ้าเชษได้กาหนดราคาดังนั้นแล้วและอนาถาปินทิิกะก็ตกลงให้แล้วก็เป็นอันว่าให้ถือว่าขาย เจ้าเชษก็ต้องตกลงอนาถาปินทิกะก็ซื้อส่วนของเจ้าเชษนั้นด้วยวิธีเอาเงินมาเกลียจนเต็มพื้นที่เมื่อเอาเงินมาเกลีย์ครั้งแรกยังเหลือที่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ซุ้มเจ้าเชษก็ขอเป็นผู้มีส่วนทําบุญด้วยในส่วนที่เหลือนั้นคือไม่ต้องเอาเงินมาเกลียให้เต็มเป็นอันว่าที่ยังเหลืออีกหน่อยก็ยกให้เป็นการร่วมสร้างวัดด้วยอนาถาปินทิกะก็ยินยอม เมื่อซื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถาปินทิกะก็สร้างวิหารคือกุติซึ่งเป็นที่อยู่สร้างบ ร, ริเวณสร้างซุนสร้างศาลาสำหรับเป็นที่อุปถากบำรุงสร้างโรงไฟสร้างกัปปิยะปุติคือกุติสำหรับเก็บอาหารเมื่ออาหารเก็บไว้ในที่ที่นั้นจึงจะสมควรกัปปิยะแปลว่าสมควรจึงเรียกว่ากัปปิยะกุติสร้างวัดจจกุติ สร้างที่จงกรมที่จงกรมนั้นคือที่สําหรับเดินเพื่อปฏิบัติทางจิตใจในการปฏิบัติทางจิตใจนั้นนิยมให้นั่งหรือว่าให้เดินที่นั่งนั้นก็จัดไว้เป็นที่เป็นทางที่เดินก็จัดไว้เป็นที่เป็นทางเหมือนกันสร้างศาลาจงกรมสร้างบ่อน้ําสร้างศาลาบ่อน้ําสร้างชันตาคารชันตาคารนี้ก็แปลว่าเรือนไฟ สร้างสาราชันตาคารคือศาลาเรือนไยแต่เรือนไยที่ใช้ชื่อชันตาคารนี้ในเมืองไทยเห็นจะไม่มีแต่ได้ยินว่าอินเดียยังใช้อยู่คือใช้เป็นที่อบกายให้เหงื่อออกและเอาเหงื่อนั่นเองเป็นเหมือนอย่างน้ําอาบเมื่อเหงื่อออกโชคแล้วก็เช็ดตัวให้เกิดความสะอาดชันตาคารนี้ก็เป็นที่อาบเหงื่อนั่นเองสร้างเสาโบขรณีสร้างมนต์ดก เจ้าเชษนั้นได้สร้างสมในโอกาสที่ตนเป็นผู้บริจาคคำว่าอนาถาปินทิกะแปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาคือคนไม่มีที่พึ่งไม่ใช่เป็นชื่อเดิมของกคราะหาบุดีผู้นี้เดิมชื่อว่าสุทตัตตสุทัตตะคระหบุีนี้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางยินดีบริจาคทานเพื่อคนยากคนจนขัดสนทั่วๆวไปจนได้เกิดชื่อมีชื่อขึ้นใหม่ว่า อนาถาปินทิกะและใช้ชื่อนี้กันในที่ทั่วทั่วไปเจ้าเชษนั้นคำว่าเชตะแปลว่าชนะในอัจถริอธิบายว่าเมื่อประสูติพระเจ้าแผ่นดินทรงชนะฆ่าศึกจึงได้พระเจ้ทานนามพระชุกุมารว่าเจตะเป็นนิมิตแห่งการชนะซึ่งถือว่าเป็นมงคลสวนของเจ้าเชษนี้เรียกว่าเชตะวันเรามาใช้เป็นเชตุพลอย่างวัดพระเชตุพน เอาอุบใส่เข้าไปอีกแต่เป็นภาษาไทยเป็นอารามของอนาถาปินทิกะคืออนาถาปินทิกะเป็นผู้สร้างถวายมาในขั้นอัธธตถกถาได้แสดงมูลค่าไว้ว่าค่าที่มีราคาถึง18โกรดค่าเสนาสนะอีก18โกรดและเตรียมไว้สำหรับงานฉลองและกิจการอื่นอีก18โกรดรวมเป็น54โกรดอนาถาปินทิกะนี้ เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนทานมัยมากมายดังจะได้กล่าวต่อไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงสาวัตถีกวนโกศลพระปุณณนะจะเล่าประวัติของพระสาวกบางรูปซึ่งได้ออกบุตรในระยะเหล่านี้ก็มีพระปุณณนะเป็นบุตรของนางพราหมณีชื่อว่านางมันตานีจึงเรียกว่าพระปุณณมันตานีบุตร ท่านเกิดในสกุลพราหมณมหาสานในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุใกล้กรุงกบิลพัฒน์เป็นหลานของพระัญญาโกนทัญยะเมื่อท่านพระอัญญาโกนทัญญะไปประกาศพระาศาสนาก็ได้ไปบ้านโทนวัตถุนี้และได้ชักนําหลานของท่านผู้นี้บวชครั้นท่านบวชให้หลานของท่านแล้วก็กลับไปส่วนพระปุณณายังคงพักอยู่ที่นั่น ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงผลที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้บวชคุณบุตรในที่นั้นอีกประมาณ500คนในอัตถกถาที่แสดงประวัติท่านได้เล่าว่าท่านได้แสดงคถาวัตถคุคือถ้อยคำที่ควรพูดสิอย่างที่ปรากฏขึ้นแก่ท่านเองสั่งสอนสิทธิ์คือ 1. อัปปิชกักาถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. สัตุติตาถา ถ้อยคำที่ชักนําให้มีความสันโดษ 3. ปวิเวกกถาถ้อยคําที่ชักนําให้หลีกออกหาความสงบสงัดสอสังสัขขะกกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ไม่รับคนด้วยหมู่คณะ 5. ริยารำพรกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปลาลบความเพียร 6. ศีละกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถา ถ้อยคาที่ชักนําให้ปฏิบัติในสมาธิ 8. ปัญญากถาถ้อยคําที่ชักนําให้อบรมปัญญา 9. วิมุตติกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปฏิบัติเพื่อผลคือความหลุดพ้น 10. วิมุตติยา น, นาทัศนกถาถ้อยคําที่แสดงความรู้ความเห็นในวิมุตติในภายหลังท่านได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้สนทนาเรื่องวิสุทธิเจตกับท่านพระสารีบุตรเทระ พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตทธัคคะในทางเป็นพระธรรมกถึกคำว่าเอตทัทธัคคะนี้ประกอบด้วยศัพท์ว่าเอตะแปลว่านี้อัคคะแปลว่าเลิศรวมกันแปลว่านี้เป็นเลิศตัดเอามาจากประโยคภาษาบาลีที่แสดงยกย่องพระสาวกบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านรูปใตเป็นเลิศในทางไหนพระพุทธเจ้าก็ตราแสดงว่า เอตัทัคขังท่านผู้นี้เป็นเลรในทางนั้นจึงนำเอาคำว่าเอตัทัค น, นี้มาใช้เรียกผู้ที่เป็นเลอรหรือเป็นยอดในทางใดทางหนึ่งเรื่องพระปุณณมันตานีบุตรนี้ควรจะเล่าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพั์ครั้งแรกสากยราชกุมารทั้งหกราชกุมารหกองกับช่างกระระบบหนึ่งคนออกบวช เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุมกบิลพัทครั้งแรกที่เรามาแล้วนั้นเมื่อเสด็จกลับได้จาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงอนุปยยอัมพวันแคว้นมันละที่อยู่เบื้องหน้ากรุมกบิลพัทในหนังสือบางเล่มบอกว่าไม่ไกลกันนะักได้มีสักรยราชกุมารหกองคือนราชาอนุรุทธะอนันทะพัคคุกิมพิละเทวทัตกับชั้นกระบวอีกหนึ่งคนชื่อว่าอุบาลี ได้ออกจากกรุงกบิลพัท ต, ตามพระพุทธเจ้าไปขอบวชที่อนุปิยอัมพวันนั้นมีเรื่องเล่าไว้ในสังฆเพศขันธ ก, กะโดยย่อว่ามีสักยาราชกุมารสององค์คือมหานามะผู้เป็นเชษฐากับอนุรุทธะผู้เป็นอนุชาอนุรุทธะผู้เป็นอนุชานั้นเป็นที่รักของมารดาเป็นอย่างยิ่งและได้รับทํานุบํารุงให้เป็นสุขอยู่ด้วยการเล่นและเครื่องบํารุงต่างๆจนกล่าวถึงว่า มีปร า, าสาทเป็นที่อยู่ในสามฤดูและได้รับธรรนุบํารุงให้มีความสุขอยู่ในปร า, าสาททั้งสามฤดูนั้นคล้ายกับพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวดส่วนมหานามะผู้เชิดถาต้องประกอบการงานเพราะมีพระชนมายุมากกว่าสักยาราชกุมารทั้งสองพระองค์นี้จึงได้หารือกันว่าได้มีสักยาราชกุมารผู้มีชื่อเสียงอวบทดตามพระพุทธเจ้าเือบจะทุกราชตระกูล แต่ว่าในตระกูลของทั้งสององค์นี้ยังไม่มีใครออกบวชก็ควรที่จะต้องออกบวชกันสักหนึ่งองค์ถ้าไม่มหานามะก็ต้องเป็นอนุรุทธะอนุรุทธะสักยะก็บอกว่าไม่สามารถจะบวชได้ให้มหานามะผู้เชิดาบวชมหานามะผู้เชิฐาก็บอกว่าถ้าไม่บวชมหานามะก็จะบวชเองแต่ว่าอนุรุทธะจะต้องประกอบการงานคือจะต้องทำกสิกรรม และจะต้องเรียนเรื่องการทำนามหานามาก็สอนอนรุทะให้ทราบถึงวิธีทำนาตั้งแต่การไถการหว่านอนรุทะได้ยินดังนั้นก็ถามขึ้นว่าการงานนี้เมื่อไรจะเสร็จกันมหานามก็ตอบว่าไม่มีเสร็จสิ้นต้องทำกันเรื่อยไปพระชนกชนนีและบรรพบรุษก็ทำการงานกันจนสิ้นพระชนไปตามๆกันแต่ว่าการงานก็ไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้น เรื่องของการงานไม่มีจบอนุรุทธะก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พี่อยู่ทําการงานส่วนตนเองจะบวชจึงเข้าไปลามารดามารดาก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าเป็นที่รักของมานดามากอนุรุทธะก็อ้อนรอนถึงสามครั้งมารดาจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปชวนพัทยาสักยราชาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครองสักยาราชสมบัติถ้าพระองค์ทรงบวช ด, ด้วยก็อนุญาต อนุรุทธาจึงเข้าไปฝ้าพัทยาสักยราชาและได้ทูลว่าการบวชของตนเนื่องด้วยพัทยราชาฝ่ายพัทยาราชาก็ตรัสว่าถ้าบรรพชาของอนุรุทธะจะเนื่องหรือไม่เนื่องด้วยพระองค์ก็าตามเรากับท่านหรือคือพัทยราชากับอนุรุทธะท่านจงบวชตามสบายอนุรุทธาจึงพูดตกลงเอาทีเดียวว่าทั้งสองจะบวชด้วยกันพัทยาราชาก็ตอบว่า ยังไม่อาจที่จะบวชได้ถ้าหากว่าจะให้ทําอย่างอื่นที่สามารถก็จะทําได้ให้อนุรุธาไปบวชผู้เดียวอนุรุธาก็บอกว่ามารดาได้พูดไปว่าถ้าพัท ย, ยาักิยราชาซึ่งเป็นสหายของอนุรุธาบวชก็อนุญาตให้อนุรุธาบวชและบัด น, นี้พัท ย, ยาักิยราชาได้ตกพระโอร์แล้วว่าเรากับท่านแม้จะตรัสค้างไว้เท่านั้นก็ฟังได้ว่าเราจักบวชกับท่าน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องบวช ด, ด้วยกันพัิยาราชาเมื่อตรัสพลาดออกไปแล้วจึงต้องทรงรักษาถ้อยคำรักษาสัจจะจึงได้ขอผลัดว่าอีสักเจ็ดปีค่อยบวชอนุทธะไม่ยินยอมจึงลดมาโดยลำดับจนถึงเจ็ดวันก็ตกลงพัิยาราชาจึงทรงมอบพระสมบัติให้แก่พระโอรสและพระภาดาคือพี่น้องใ น, นระหว่างเจ็ดวันนั้นและได้ชักชวนกันอีกคืออนันทะ ซึ่งเป็นโอรสของอมิตโตธนศักยะพักคุกิมพิละผู้ซึ่งไม่ปรากฏเป็นโอรสของใครเทวทัตซึ่งเป็นโอรสของสุปปพุทธสักกะซึ่งเป็นอนุชาของพระนางยะโสธราพิมพาพระมารดาของพระราหุลรวมเป็นศักยราชกุมารหกองได้ออกจากกรุงกบิลพัทเมื่อออกไปจากกรุงนั้นก็มีเสนาหรือกองทัพตามส่งจนถึงสิ้นอนาเขต ก็ให้กองทัพกลับแล้วได้เข้ามาในเขตกองแกว้งมันละสากรยราชกุมารมทั้งหองค์นั้นได้ทรงถอดเครื่องประดับออกห่อมอบให้แก่อุบาลีช่างการบกและบอกให้อุบาลีกลับประทานห่อเครื่องประดับทั้งหมดให้เพื่อจะได้ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตอุบาลีรับเอาห่อเครื่องประดับมาได้หน่อยหนึ่งก็หวนคิดขึ้นว่าถ้าจะกลับไปเจ้าสากยะทั้งหลายก็อาจจะฆ่าตนเสียได้เพราะคงคิดว่า ตนได้ทำร้าราชกุมารทั้ง6องค์นั้นและนำเอาเครื่องประดับนี้มาก็เมื่อพระราชกุมารทั้ง6องค์นี้ออกบวชได้ตนก็ควรจะสละได้จึงได้เอาห่อเครื่องประดับนั้นแขวนต้นไม้ไว้แล้วก็กลับไปหาพระราชกุมารทั้ง6องค์นั้นขอตามไปบวช ด, ด้วยเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นเจ็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปิยอรรมพวันนั้นและได้กราบทูลขอบวชในเบื้องต้นสักยราชกุมารทั้ง6องค์ ได้ทูลขอให้ทรงบวชอุบาลีซึ่งเป็นช่างกรารระบบ ก, ก่อนเพื่อว่าเมื่อบวชเสร็จแล้วจะได้ทําความเคารพแก่อุบาลีซึ่งได้บวชแล้วเป็นการทําลายมานะคือความถือตัวถือตนพระพุทธเจ้าก็ส่งให้อุบาลีบวชก่อนสักยราชกุมารทั้งหกนั้นก็ทําความเคารพแก่พระอุบาลีซึ่งเคยเป็นช่างกรารระบบของตนมาแล้วก็ทูลขอบวชพระพุทธเจ้า